แถวนี้ผีดุสุดสยองห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนทุกรงเรียนมักจะมีตำนานเรื่องผีหรือเรื่องสยองขวัญต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผีในห้องหน้าตสินเรื่องในแนวนี้จะได้ยินแทบทุกรงเรียนแม้แต่โรงเรียนที่แก้วเคยเรียนอยู่ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดทางภาคใต้ก็มักจะได้ยินเกี่ยวกับผีในห้องหน้าตสิง ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีไทยในห้องนาฏศิลป์ที่ดังออกมาจากในห้องกลางดึกทั้งๆที่ห้องยังถูกล็อกไว้อย่างหนานแน่นและพ่อแก่ซึ่งบูชาไว้ในห้องนาฏศิลป์ที่เล่าลือกันว่ามีคนเคยพบเห็นคนแก่เดินไปมาอยู่ในห้องนาฏศิลป์นในช่วงกลางคืนแต่สิ่งที่เล่าลือมานั้นแก้วและพวกเพื่อนๆก็ยังไม่มีใครเคยพบเจอเลยสักครั้งแต่สิ่งที่แก้วและพเพื่อนๆพบเจอ น, นั้นกลับเป็นตึกวิทยาศาสตร์ ซึ่เป็นวิชาที่สอนให้เราเชื่อในสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่เชื่อในสิ่งงมงายหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนแก้วกําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองที่โรงเรียนเวลาเรียนจะต้องเดินไปเรียนตามตึกของวิชาต่างๆไม่ได้นั่งรอเรียนอยู่ในห้องเช่นวิชาภาษาไทยก็ต้องเดินไปเรียนที่ตึกสาขาวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษ ก, ก, ก็ต้องเดินไปเรียนที่ตึกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่และตึกจะอยู่ห่างกันพอสมควรเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่กว้างมากคาบหน้าที่เราจะเรียนคือวิชาวิทยาศาสตร์ครูที่สอนวิชานี้ชื่อครูนิพนธ์เป็นครูที่สอนในโรงเรียนนี้มานานแล้วและเป็นครูที่เข้มงวดเรื่องการสอนมากครูนิพนธ์จะไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์ออกไปจากห้องหากยังทําการทดลองหรือแบบทดสอบยังไม่เสร็จเกือบทุกคาบเรียนในชั้นเรียนจะมีการทําการทดลองอยู่เสมอวิชานี้จะเป็นวิชาที่เลิกเรียนช้าที่สุด หากใครผ่านไปแถวตึกวิทยาศาสตร์จะเห็นครูนิพนธ์มาแต่เช้าเพื่อเตรียมการเรียนการสอนและในช่วงเย็นครูจะกลับช้าที่สุดเนื่องจากครูนิพนธ์จะเดินตรวจตราตามห้องเรียนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนี้อยู่ทุกๆวันจนกระทั่งเช้าวันจันทร์ขณะที่นักเรียนกําลังเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าครูฝ่ายปกครองจะออกมาพูดหน้าแถวในทุกๆเช้าได้ประกาศว่าครูนิพนธ์ได้เสียชีวิตแล้วเนื่องจากโรคหัวใจกําเริบ ศพครูตั้งอยู่ที่วัดใกล้ๆโรงเรียนจึงขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนทุกคนไปร่วมงานศพของครูนิพนธ์แก้วได้ยินเสียงครูประจําชั้นพูดคุยกันว่าครูนิพนธ์เสียชีวิตในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในช่วงเย็นของวันเสาร์ขณะที่ครูกําลังตั้งโจทย์ข้อสอบให้นักเรียนที่ครูสอนซึ่งรวมถึงห้องของแก้วด้วยช่วงคาบ เ, เรียนเช้าทั้งสองคาบ เ, เรียนก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ครูสอนด้วยแต่ในวันนี้เปลี่ยนเป็นครูผู้หญิงมาสอนแทน เมื่อหมดคาขขณะที่แก้วพร้อมกับเพื่อนๆซึ่งมีแมปเปิลคิงกำลังเดินลงบันไดคิงก็เอามือไปแตะที่หน้าต่างที่เป็นกระจกทำให้กระจกลนแตกครูฝ่ายปกครองอยู่แถวนั้นพอดีจึงวิ่งเข้ามาและด่าคิงเสียงดังมากพวกเราอีสานคนก็พลอยโดนด่าไปด้วยครูฝ่ายปกครองบอกให้พวกเรามาทำความสะอาดที่ตึกวิทยา ศ, าศาสตร์ตอนเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อเป็นการลงโทษหลังจากเลิกเรียนสี่โมเย็น พวกเราจึงเดินไปพบครูฝ่ายปกครองที่ห้องปกครองครูให้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องเรียนและบอกให้พวกเราไปทำความสะอาดที่ชั้น3ซึ่งมีอยู่จำนวนหห้องแต่อีกสองห้องติดการเป็นห้องพักครูไม่ต้องเข้าไปทำความสะอาดจึงเหลือเพียง4ี่ห้องเท่านั้นที่พวกเราต้องแบ่งกันไปทาความสะอาดคนละห้องเพื่อจะได้ทำเสร็จเร็วๆคิงซึ่งเป็นคนที่ทากระจกแตกทาห้องหนึ่งแม็กทาห้องสองแก้วทาห้องสาและเปิ้นทาความสะอาดห้องที่4ี่ พวกเราต่างแยกย้ายกันไปทำความสะอาดตามห้องเรียนที่แบ่งไว้ของแต่ละคนเราเรีบทําความสะอาดเพื่อจะได้รีบกลับบ้านเริ่มจากรลบกระดานดากวาดพื้นเทขระยับจนเสร็จไม่มีใครอยากอยู่จนถึงตอนค่าเพราะแค่นึกถึงครูนิพนธ์ขึ้นมาก็ขนลุกสู้แล้วปกติตอนที่ครูยังมีชีวิตอยู่ก็จะมาตรวจ ด, ดูความสะอาดแต่ละห้องในตอนเย็นก่อนกลับบ้านเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วจึงเดินออกจากห้องเพื่อจะไปหาเปิ้ล แก้วยืนมองที่ระเบียงเห็นนักเรียนและครูออกจากโรงเรียนเกือบหมดแล้วเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่คนครูหลายคนพานนไปงานศพครูนิพนธ์ที่วัดรวมทั้งครูฝ่ายปกครองที่ใช้พวกเราทําความสะอาดก็ด้วยเมื่อไปถึงห้องที่เปิ้ลทําความสะอาดอยู่เปิ้ลก็แอบบ่นว่าคิงที่ทํากระจกแตกจนเป็นเรื่องแก้วรีบช่วยเปิลทำความสะอาดอีกแรงคิงและแม็กเข้ามาพอดีทั้งคู่ทําความสะอาดเสร็จแล้วจึงเดินมาดูพวกเราเพื่อที่จะออกไปพร้อมกัน และจะได้ปิดล็อกประตูห้องและประตูชั้นล่างของตึกพวกเราทั้ง4ี่คนเดินลงมาถึงชั้นล่างและปิดล็อกประตูเรียบร้อยเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นพอดีจากนั้นก็เอากุญแจไปให้ลุงยามที่ป้อมยามหน้าโรงเรียนคิงจึชวนพวกเราไปกินข้าวข้างโรงเรียนเพื่อเป็นการไถ่โทษร้านขายข้าวคนเยอะมากกว่าจะได้กินข้าวก็ป่าเข้าไปเกือบทุ่มหนึ่งระหว่างกินข้าวกันพวกเราก็คุยกันถึงรายงานกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่ทําด้วยกัน ซึ่งจะต้องส่งพรุ่งนี้เปิร์บอกว่าราย ง, งานเสร็จเรียบร้อยอยู่ในกระเป๋านักเรียนเปิ้์นเปิดกระเป๋าและพยายามหาราย ง, งานแต่ก็ไม่เจอแม็กบอกให้เปิ้ลนึกให้ดีๆว่าไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าเปิ้์นสงสัยว่าจะลืมไว้ที่ห้องวิทยาศาสตร์ตอนทําความสะอาดเมื่อกี้พวกเราจึงได้กินข้าวกันให้เสร็จเพื่อที่จะกลับเข้าไปเอาราย ง, งานที่ห้องเรียนเมื่อเดินไปถึงป้อมยามพวกเราบอกยามว่าจะเข้าไปเอาราย ง, งานที่ตึกวิทยาศาสตร์ ที่แรกลุงยามเขาไม่ให้เข้าไปเพราะเวลานี้ไม่มีครูอยู่ในตึกเรียนแล้วพวกเราพยายามขอร้องอ้อนวอนต่างๆนา น, นาเพราะหากไม่มีรายงานส่งพรุ่งนี้ต้องโดนตีและถูกหักคะแนนทั้งกลุ่มลุงยามจึงให้กุญแจมาและบอกให้รีบไปและรีบกลับลงมาพวกเราทั้งสี่คนจึงรีบเดินไปที่ตึกวิทยาศาสต ร, ร, ร, ร์ระยะทางระหว่างหน้าโรงเรียนกับตึกวิทยาศาสต ร, ร, ร์อยู่ไกลพอสมควรเมื่อมาถึงพวกเราทั้งสคนเดินขึ้นบันไดไปชั้นสาม ระหว่างที่เดินขึ้นบันไดนั้นได้ยินเสียงเหมือ น, นยังมีคนอยู่ในตึกนี้เป็นเสียงฝีเท้าคนเดินแกคุยกับเพื่อนว่าในรุงยาบอกไม่มีใครอยู่ไงแกแม้พูดขึ้นว่าอาจเป็นยามอีกคนขึ้นมาตรวจก็ได้จากบันไดอีกฟากหนึ่งซึ่งเป็นบันไดที่มีทางเดินเล็กๆอยู่ฝั่งริมสุดพวกเราเรีบเดินไปจนถึงชั้นที่สและตรงไปยังห้องที่เปิ้ลทำความสะอาดเมื่อเปิดประตูเข้าไปทุกคนช่วยกันหารายงานแต่ก็หาไม่เจอ พวกเราหาไปสักพักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนมีคนเดินมาทางนี้พวกเรานึกว่าเป็นยามคิงเดินออกไปเพื่อจะบอกว่าเรายังหาแรยงานไม่เจอแต่คิงบอกว่าไม่เห็นใครอยู่ข้างนอกเลยคิงจะปิดประตูห้องเรียนไว้ก่อนแล้วบอกให้พวกเราเงียบเงียบเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนเสียงไม่หยุดอยู่ตรงหน้าห้องมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสองสาครั้งแล้วก็หยุดลงสักพักก็มีเสียงเคาะประตูไม่หยุดพวกเราเรีบหลบใต้โต๊ะทันที ทันใดนั้นเองประตูก็เปิดออกแจ้าเห็นมีคนใส่กางเกงขายาวกำลังเดินเข้ามาแต่ยังไม่เห็นหน้าเพราะไม่กล้ามองเสียงฝีเท้ากำลังเดินเข้ามาตรงที่พวกเราแอบอยู่พวกเราเห็นแต่ขายังไม่เห็นหน้าแต่คิดว่าเป็นยามแน่ๆเสียงฝีเท้ามาหยุดตรงหน้าพวกเราพอดีและชะโนกหน้าเข้ามาดูตรงที่พวกเราแอบอยู่พร้อมกับพูดว่าคิดว่าจะหนีพ้นเหรอพวกเราตกใจสุดที เพรคนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ก็คือครูนิพนธ์นั่นเองพวกเราตกใจมากต่างก็ร้องเสียงหลงพร้อมะวิ่งออกไปนอกห้องเรียนทิ้งกระเป๋านักเรียนและหนังสือเรียนไว้ที่นั่นพวกเราเรียกวิ่งลงบันไดมาแบบไม่คิดชีวิตเสียงฝีเท้าของครูนิพนธเดินตามพวกเรามาดังกล้องไปทั่วทั้งตึกเมื่อวิ่งลงมาถึงชั้นล่างพวกเราดีใจเมื่อเห็นยางคนนึงยืนหันหลังให้พวกเราอยู่ตรงหน้าโรงอาหารพวกเราจึงได้วิ่งเข้าไปหาและบอกว่าถูกผีครูนิพนธ์หลอก เมื่อยามหันกลับมาพร้อมกับพูดว่าถูกหลอกอย่างนี้เหรอพร้อมเสียงหัวเราะที่น่าสยดสยองแก้วตกใจแทบก้าวขาไม่ออกไม่เห็นหน้ายามจะมีใบหน้าและมีทั้งเลือดและน้ำหนองเต็มใบหน้าตาปนถลนออกมานอกเบ้าตาพวกเราวอยวายเหมือนคนสติแตกจึงวิ่งไปหน้าโรงเรียนเห็นลุงยามหลับอยู่พวกเราจึงวิ่งออกไปนอกโรงเรียนแล้วบอกรถตุ๊กๆให้จอดรับทันทีภายในรถแก้วด้แต่ร้องไห้ ทุกคนได้แต่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จากันสักคำกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีคนขับรถกระจอดรถถามว่าเราจะไปลงที่ไหนเปิ้นจึงบอกให้ไปส่งที่บ้านของเปิ้นคืนนั้นพวกเราจึงนอนค้างที่บ้านของเปิ้นและเจอรายงานภาษาอังกฤษอยู่บนโต๊ะแม็กบอกว่าเปิ้นว่าขี้ลืมจนทำให้พวกเราต้องเจอผีพอรุ่งเช้าพ่อและแม่เปิ้ลจะไปส่งทุกคนที่บ้านแม่ของเปิ้ลไปที่โรงเรียนเพื่อเอากระเป๋านักเรียนและหนังสือเรียนมาคืนให้ที่บ้าน พอเช้าวันจันทร์หลังจากเข้าแถวเคารบทงชาติมีเรียนพะลักที่โรงยิมเกรกงๆป้อมยามหน้าโรงเรียนลุงยามเห็นพวกเราจึงถามว่ากลับไปกันตั้งแต่เมื่อไหร่แก้วตอบว่ากลับไปตอนลุงยามหลับอยู่นั่นแหละลุงยามแกหัวเราะแก้เขินพวกเราจึงเล่าเหตุการณ์ให้แกฟังแกบอกว่าแกก็เคยเจอตอนแรกแกจะไม่ให้เข้าไปแต่เห็นว่าเป็นรายงานสําคัญจะรีบส่งแกเลยให้เข้าไปแกบอกว่าผียามที่เราเจอเมื่อก่อนเป็นยามที่นี่แหละ ได้กระโดดจากตึกวิทยาศาสตร์ลงมาและตายถาแถวๆโรงอาหารช่วงปิดเทอมปีที่แล้วทางโรงเรียนปิดข่าวไว้เพราะไม่อยากให้เป็นข่าวดังเสียชื่อโรงเรียนส่วนครูนิพนธ์แกคงยังไม่รู้ตัวว่าตายแล้วจึงมาเดินตรวจโรงเรียนตามปกติลุงยานแกนจึงได้ขอร้องว่าอย่าไปบอกใครเรื่องที่แกแอบหลับตอนทํางานนะหลังจากนั้นพวกเราจึงเดินกลับไปที่โรงยิมเพื่อเรียนกันต่อและทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องผีที่เจอในโรงเรียนแห่งนี้เราคงไม่มีทางลืมไปตลอดชีวิต ใครไม่เจอกับตัวเองคงไม่รู้หรอกว่าความสยองขนหัวลุกมันเป็นยังไงหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ